ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาแห่งภาคมากระบูชาในวันนี้อาะมาก็จะปล่าเป็นธรรมะปะกนมกกะเรื่องเอกเทศไม่ติดต่อเป็นชุดแต่ก็เป็นชุดอยู่ในตัวคือ <c oughs> จะกล่าวถึงเรื่องอธ ร, รมยตาต่อไปอีกในหนึ่งมุมหนึ่ง โดยใช้หัวข้อการบรรยายว่าอัามรยตตาใช้ ย, ยาอะไรได้บ้างลังดูเป็นของแปลกครว่ายานะยาของสองฝ่ายให้มันขาดจากกันเป็นธรรมะสำคัญสำหรับผู้รู้จักสำหรับผู้ไม่รู้จักมันก็ไม่เห็นว่ามีความสาคัญอะไรอะไ ร, ะไร <c oughs> เป็นสิ่งที่วทวาริศัคุณจะทราบ ไม่สมศักดิ์ศรของความเป็นพุทธบริษัทจะมากล่าวอย่างนี้คงมีบางคนเห็นด้วยที่กล่าว่านังไม่รู้จักอาตธรรมัยตาเป็นอยังไม่สมศักดิ์ศรอของความเป็นอพุทธบริษัทไม่มีใครามาพูดให้รู้จักก็เลเอามาพูดให้รู้จักแล้วก็พูดบนไปบนมาอยู่แต่กับเรื่อง น, นี้จนวางคนไปคิดว่าเป็นบ้าแล้วบ้าทับปฏิยตาแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็ยินดีที่จะยอมรับคำกล่าวเช่นนั่น อยากให้เป็นที่รู้จักนนในแง่ของปริญาติเล่าเรียนกันด้วยวาจาด้วยหนังสือหนังสหาแล้วก็ให้รู้จักในแง่ของปฏิบัติก็คือปฏิบัติได้จริงจนมีธรรมะมรรตอในง่ายของปฏิเวศคือได้รับผลอันดีเลิศของสิ่งสิ่งนี้ที่มาสู่ขอเพย์แทงก็ทำทั้งในง่ายของปริยาติปฏิบัติและปฏิเวทหรือยิ่งกว่านั้นต้องการให้สามารถนำเอาไปใช้ในกิจกรรมทั่วทั่วไปไม่ว่ากิจกรรมในบ้านเรือนกิจกรรมทางโลก เรื่องนี้อยากจะกล่าวให้ทราบกันว่าบอกกลาวทราบกันว่าอาตมานี้ถูกดา่าว่าโง่หรืออะไรกันุ่ดท้ายเอาเรื่องสูงๆงมาพูดเป็นเรื่องต่ำๆมีคนบางคนห้ือบางวนถือว่าเรื่องเป็นเรื่องริยมรรคในองคตการนั่นแหละเขาเอาไปใช้เขาใช้กับไปนิพพานยังใช้กับบุคคลของคุณอยู่ในโลกนี้ไม่ได้านอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเรื่องต้องโทษชงเจตนั้นะมันเป็นเรื่องที่จะทำใช้กับการบรรลุ น, นักผลนิพพาน แต่ถามาทมา่ไน้ามาบอกมาตามช้ากับน่าจะเรื่องทำลายําหน้าอย่างนี้เขาไม่เห็นด้วยก็าไถูกดา่าเขาไม่เห็นด้วยเ <c oughs> ขาประดานีน่ามาจะถูก ด, าากดา่าว่าเอาเรื่องที่มันรู้ <c oughs> สุดในระบบ้านาทำาเป็นเรื่องตองๆว้านตอนนี้อานารย์ทนดูเองเยวเรื่องการอัตงที่กรรมเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่นะครับคนที่อยู่ในโลกแต่ทำงานอย่างโลกโลกเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสนมันใช้ได้หรือไม่เราตงไรอบปฏิบัติดูว่ามันจะได้ประโยชน์หรือไม่นี่เป็นต้นที่เรื่องธรรมะยตาเป็นเรื่องสูงสุด ปัญญานันสุดของธรรมะอิติยาทั้งหลายหลังจากนั้นก็เป็นนินนพพ า, า, านัญญาเป็นการบรรลุิานเขาให้ผู้ยังไม่เข้าใจผู้ใหม่ประคำคำนี้ไปทราบปีหนึงว่าญาณญาณญาณะแล้วยิ่งสะระาอนุสตัตตญาณนะไม่ได้ญาณานะญาณนะกเร่อความรู้มันจะมีีสิบีหรือญาณตามใจเยอะมันแบ่งได้เป็นสองประเภทหรือสองขั้วทน่เรียกว่าสองขั้นตอนกัได้ขั้แรกน่อนะมันเป็นการรู้เรื่องความจริงของสิ่งทั้งปวงของสังขารทั้งปวงฉันเห็นอนิจจังสุขานิพพาตาของสิ่งทั้งป แล้วอีกพวกหนึ่งเรียกว่านิพพานญานคือเกิดยานที่เป็นการบรรลุนิพพานในลำดับไปตั้งแต่นิพ า, านยาณไปได้เห็นนิยังทุกันอนัตตาสัสุนตตาตาตาเช่นนั่นเองเช่น น, น, เชนนั่นเองในสิ่งทงแล้วมัน ก, ก็หมดแค่นั้นแหละธรรมะกิจิยานธรรมะสิจิยา น, นความรู้ในการตั้งอยู่ของธรรมดาธรรครรมดาที่ตั้งอยู่มิจยานยานในการรู้การตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติของธรรมดานีก็มีหลายหลายยานคือหลาดับเองพยายามนี่ถึงที่สุดมันรูจกสงทั้งถึงที่สุด มันจะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะตาเนี่ยซ <c oughs> ึ่งมันแพ้หลาหล า, หลายหลายอย่างจนเพาความพะความความยากแต่ยากก็คือความรู้สึกที่ว่าเราไปนี่จะไม่อาัยสิ่งเหล่านี้อีกแล้วจะสลัดสิง่งเหล่านี้ <c oughs> คือสิ่งที่เคยลงรักองอาศัยลงให้มั น, นรงแต่งมาเรื่อยๆนะ่ยพอกันทีมันู่ตรงรเรียกว่าต่อซีดหนึ่งมันอยู่ฝ่ายธรรมะจิยานซีนึงมันอยู่ฝ่ายนิพพา น, นาย่างคอกันทีแล้วก็เกิดมันรูปฝ่ายนิานเวลายมกลานหนักก็ดับดับวิเลย เรารู้ว่ากิเดับแล้วนนี่เป็นทุกขุอย่างต่อไปนี่เป็นนิพพานะย่าง <c oughs> จนธรรมราธรรมราพ่อยานประเพศเรน ร, รู้ความจริงของสิ่งขั้งร้ายขั้นสิ้นที่สุดมันก็เกิดความรู้ที่ว่าไม่เอากมันแล้วคือสลัดลอยวางเปอิสระไปนี่เป็นความรู้อยู่สองขั้นตอนอย่างนี้มันตรงนี้สิ่งนี้คือความรู้สึกังกล่าวนีนะ่ที่เรียกว่าหากรร ม, มยตานี่เราจิ้จัละให้สิ่งที่ควรละหรือต้องละได้ แต่เพให้สันทาฟังง่ายใช่ไหมอาจารย์ามาใช้คำว่าขาดที่ลาขา ด, าขาดนะครความรู้สึกนี้ทาให้รู้สึกว่าแรื่องรอยสินนี่เกี่ยวข้องหรือปรุงแตง่งเป็นเดตเป็นปัจจัยอะไรต่างๆไม่ได้ติดเตาไปแล้วใช้าคาพูดที่ยาพายฟังกันง่ายๆว่าคกูไม่เอาแต่มึงแล้วเนี่ยเพไปที่มันเป็นแค่คำยาพายเพื่อแสดงความหมายชัดเจ น, น, นความรู้สึกว่ากูไม่เอาแต่มึงอีกแล้วนี่แหลดอไปนั่คือยานนี่ก็เรียกว่าภาวะจิตแที่มันเป็นตมาตามันจะยาเมียหรืจะยาพัว ถ้ามันไม่เกิดครั้งกกกูไม่เอาตัวมึงได้ละไม่เกิดครั้งอันนี้มันจะยาขนได้อย่างไรถ้าว่ากูไม่เอาตัวมง่ายจริงๆแล้วมันจะยาละโดยกันฝีไมนจะทิ้งบุรีถ้าเห็นโทษครับุรีเห็นโทษังบุรีเห็นโทษับุรีจนรู้สึกไม่ไหวกูไม่เตัวมงได้หรอมันเริอันยาขาดยาบุรีได้เนี่ยท่าคเองว่าจะแปลว่าอะไรดีถ้าแปทตามภาษาบาลีมันเยอสําหรับภาษาไทยอ่ะตังมยะตาความที่ไม่สาเร็จมาจากสิ่งนั่งอีกแล้ว คือทีที่ล้วมามันมสันเป็นเหตุเป็นัจแต่งสนับสนุนเกี่ยวข้องกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ให้จริงแลั่นมาเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์สนับสติไปแล้วที่งนั้นคือเตปัใยที่เรียกว่าสังขารอย่างนั้นสังขารอย่างนี้สังอย่างนู้นคแ่งคงแต่ที่แล้วมันคุแต่ต่อไปนี้จะไม่มันคุแต่ไม่ยอมอยู่ใต้หน้าของสิ่งนั้นตีดต่อไปไม่ขูพันอยู่กับสิ่งนั้นตีดต่อไปเขาเป็นอิสระนี่คือคำ คนม e ันทิ Hope ่งขดเล่าไม่ได้ทิงบุรี่ไม่ได้งาเพียงเท่านี้มันเพราะมันไม่มีอาตมเมตตามันมีความรู้สึกเป็นขนาดที่เรียกว่าไม่อ้าใจมันอีกต่อไปหรือกูไม่เอากตะมืออีกต่อไปนะครดูเตอนนี่ถือพิจิตยาคาจ่าสิ่งใดความรู้สึกอันนี้ต้องเกิดขึ้นจึงจะยาคาจ่าสิงนั่นนั่นได้เรื่องโลกียะในบ้านในเรื่องกตามเรื่องโลกุตระในธรรมะในศาสนาก็ตามการยาคาจากสิงได้แต่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาตมเาตักเหมือไปที่นี้มันไม่มันมีใครมาพูดจะยินมันต้มารู้สึก เจ้าคนจะเรียกว่าเศรหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบมันนั้นเป็นมันอยู่ในพระธรมปีให้เร า, าพูดนะจากันท่านนี่เป็นคำสูงสุดและใช้ประโยชน์ในการยาขาดจากสิ่งที่ควรยาขาดได้จริงๆเแล้ววันนี้จะใจใไปฏีระย่างระอย่างก็จะใช้ยาขาดจากอะไรได้บ้างจังแต่ระดับสูงสุดไปนี้พามลงมาที่กันอยู่ที่บ้านที่เรื่นในโลกนี้ยาขาดจากอะไรเห็นได้บ้างไปเคยฟังให้ดีๆเราจะมาขอรับรองว่าจะได้ประโยชน์คืนค่าแต่ถ้าท่านฟังไม่รู้เรื่องนั่นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้ไว้แต่จะฟังดีๆให้รู้เรื่องมันคืออะไรอืความรู้สึกที่ว่าคูไม่เอากระเบื้องอีกต่อไป<ม>ความรู้สึก น, นั้นเรียกว่าธรรมะต่างในระดับสูงสุดยาคาจากพบพ บ, พบคือความเป็นอย่างได้อย่างหนึ่งเรียกว่าพบมีคามมาพบเป็นอยู่ในวิสัยที่พอใจในกลางรูปพบเป็นอยู่ในวิสัยที่พอใจในรูปตูเป็นก่อนตามเป็นอยู่ในวิสัยแห่งอรูปพบอรูปพบในวิสัยที่พอใจในอรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูป มีสามพบความมพบรูประพบมารูประพบสิ้าเป็นอดีตเรื่องพบเนี่ยมันมีอยู่แต่ละวันลวันอธิบายอย่างวิธีเก่าๆที่อธิบายกันมันอยู่ที่โลกอื่นตายแล้วิไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การพบไปอยู่ทโลกอนหนึ่งรูประพบเปอยู่ที่คนมาโลกรูประพบเปอยู่ที่คนมาโลกอยู่ที่นันก็บอกไม่ได้เท่าไรเป็นเรื่องจตายได้ไปสิจิตไจันทร์กบกว่าพบเนี่ยอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าคือม่จิจมันเปลี่ยนไปอยู่ในวิจารี่พอใจในตามคกระชีวิทันมันอยู่ในตาม เื่อาบางเวลาเี่คิดไในกามเข้าใจในสิทิชการแต่เป็นรูปไปทาเป็นวัตถุเป็นอะไรี่เ็นปริสุนกามเนี่ยอจลลนี่ก็อยู่ในรูับพบแล้วที่างเวลาที่มันสูญไปไม่อสิ่งที่มีรูปาสิ่งที่ไม่มีรูปเนอนาจวาสนาบุญบารมีกียชื่อเสียงให้กับเราเดี๋ยนมันอยู่ในอารูพบแล้วแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในสามพบเนี่ยแต่ถ้ามันส่วนมากมันอยู่ในกามในปริสัตย์นั้นว่ากามาจรแต่ถ้ามันเวียนอยู่มากในในรูปกพ นันจองมาพิจารณาพรานั่นเห็นตามที่เป็นจริงมันก็ค่อยค่อยรู้สึกประทานอรมมตตาเป็นยังไงอกรรมันเห็นอันนยังถุกรังอนัตตาเห็นว่ามัเนเป็นธรรมติตาที่เป็นไปธรรมชาติธรรมดามันเป็นธรรมยามตามันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติอีทักปิจตาเป็นเพียงกระแสงการต้งแจงของเหตุผลทเห็นสุญญตาโอว่าตัวเห็นไปคอยดท่ายาวตาตาตาเช่นนั้นเองเช่นนั้เช่นนั้นเองมันกเหมือนนันเอง เป็นไปตามเปัจจนั่นเองมีตัวตน่างกตัวนชนนั่นเองชนนั่นเองาูสงอมันชนนั่นเองแค่นี้เองกูยาบาก็แค่นี้เองนี่มได้เกิดความรู้สึก่ตาไมไหวไม่ไหวเา้ไม่ได้แล้วเลิกกันีพอกันทีนี่ก็เป็นความรู้สึกในขั้นกาตมญาตาลอาเามาไม่ไหวแล้วละตาตัวชัดเจนอยู่ในชนนี้ว่าละกามเสด็จได้ด้วยรูปซึ่งมีรูปชาซึ่งมีอุเบกขาหลายชนิดะกามเส็จได้ด้วยรูปชาตซึ่งมีอุเบกขาหลายชนิดแลได้ ด้วยอรูปฌานจึงมีภูเคขาอย่างเดียวแล้วเป็นละอรูปฌานมีภูเบขาอย่างเดียวนี้จะได้ด้วยอาตมญาตาเนื่องจาพุทธมันสั้นให้เป็นข้น้อยกว่าละกามเสียด้วยรูปละรูปเสียด้วยอรูปละรูปเสียดวยอาตมญาตาค่อนไปหมดต่างตาั้งรูปตั้งเนรูปยิ่รสภาพอาตมันอาตญาตาของยาขาดจะพบทั้งพวงพบทั้งพวงรพบรูปกับพบอรูปกับพบนาละเอียดเกี่ยวกับคำว่าพบสามพบนหนังสืในธรรมะท่ว เ่อนี้เป็นรู้ได้ว่าธรรมะเจตาเนี่ยมันรับจได้คืนครบทัางนั้นเละแล้วครบสุดท้ายก็คืออรูปครบกัจะพูดอย่าง่ทําก็ได้มันได้มาสามครับแวก็รับไปทั้งสาครบโดยํารจาตาเห็นว่าครบสังหารไม่ไหวไม่ไว้ไม่ยยไหวถึอกับขยะขยะขยรมีประมาณในตบารีว่าเหมือนกับอุจจาระแม้นิดหนึ่งก็เหม็นนิดหนึ่งจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนิดนิดหนึ่งนิดสุดเ น, น, นไม่รู้อยู่ที่ไหนไรเ ที่ว่าพบนี่มันนิดหนึ่งก็มีโทษมีกุ๊กละพางล่างเสียท่านสูงสุดอัตมิยตานตำแหน้าที่ประมาณในที่นี้ก็ยาขาดจากกรรมกรรมกรรมการกระทาหรือผลของการกระทาคือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมเนี่ค่อยมีความหมายกับกรรมอย่างนึงคลกรรมอย่างนี้ความที่ต้องเป็นไปตามกรรมสามความหมานี้เราเรียกรวมเรียกกันว่ากรรมอาศายอัตมิยะตาแล้วก็ยาขาดจากกรรมแล้วเราเป็นชัดเลกรรมนีมันเป็นเรื่อง ไม่มีความสงบสุขมีต่ ก, การตรุงแต่งหลักฐา <c oughs> นไปเื่อยเห็นกรรมเป็นอนิจจก ร, รเป็นตัวทุกข์อยู่ในอนิจจรรมเป็นอนัตตาอยู่ในตัวทุกข์นันก็เลยไม่ไหวหว่สนุกกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็ตาม <c oughs> มันเป็นการตรุงแตง่ง <c oughs> ดึงพาไปนันแหละกรรมชั่วพาไปอย่างหนึ่งกรรมดีก็พาไปอย่างหนงกรรมใชั่วไม่ดีก็พาไปอย่างหนึ่ ง, ม ไ, ง, งไม่ใช่ความหยุดไม่ใช่ความสงบไม่ใช่นิพพานจึงเบื่อนหน่านในการจีตจะรําเป็นไปตามกรรมก็เลยความรู้สึกอย่างว่านี่กูเนี่ยสมัติแล้วนี่กอไม่ยอมให้กรรม เป็นคุลละค้าไปอีกต่อไปถ้ามีกิจกรรมนี้แล้วไม้ทำกรรมก็ไม่เป็นกรรมไม่มีผลกรรมไม่มีการต้องเป็นไปตามกรรม <c oughs> เพงกล่าวว่าธรรมยุตตาช่วยเราอย่าขาด ก, กรรมในทุกความหมายในความหมายว่ากรรมปฏิในความาาาหมกก <c oughs> าผลกรรมปดีในความหม า, า, หายความต้องเป็นไามกรรมญาคายหมดเลิกันทีอย่ามาทร้องให้ครู้เป็นไปตามกรรมเป็นอย่างรื่ไม่ได้อย่างนี้พอันทีนั้นหมให้ลูกเด็กเด็กที่ไม่รู้อะไรยอมแพ้กัาครูทเป็นปากํามดนี้เราได้อาาพระเจ้าทาให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรกรรมคืออะไรเรลาที่เป็อนตัวมได้จากกรรมไม่พูพันกันอยู่กับกรรม ไม่ยอมให้กำรูแต่งได้อีกต่อไปตอนนี้เรียกว่ายาขาดยากรรมทีนี้อยากล่าผู้ใดวางมนนะวยาขาดจาพิทักษ์ปัจจยตานต้องไปดูดูดูดูยาขาดจาพิทักษ์ปัจจยตาความที่จาเป็นโดยตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุอังนั้นรูแต่งเป็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นไปเป็นเหตุรูแต่งเิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นไปเป็นเหตุเิดผลอย่างนั้นทีีก็ิทักษ์ปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทได้มันเป็นไปตามกระแสแห่งิทักปัจจยตาแล้วก็นาไปสู่ความฟุ้งที่ส มีสติปัญญาเต็มที่ในกาะ ห, นหงพัตะแหัระไม่ง้อพัตระฉลาดพัตะไม่เกิดเวทนาโง่ไม่เกิดตัญหาไม่เกิดรูปารายุกแสแห่งอิท ธ, ธิปฏิยาตาเสจแล้วม่มอเห็นว่ากระแสะแห่งอิทัิปฏิตานี้ไม่ไหวอนการล่าหัวไปตีไปขีดไปข่ากระแสแห่งิทธิยตาูเนี้กับมือคืไม่อยากเกิดกระแสแห่งอิท ธ, ธิปยตาเราอยาขาดจากกระแสะแห่งอิท ธ, ธิปฏิยาตาทนี้จะพูดค้างจแต่ังญาติโอหังว่ายาขาดจากพระเจ้า เป็นเด็กเกิดมาไม่รู้อะไรถูกสนยึดถือพรเจ้าเป็นเจ้าหรือรัชทิตศาสนาถูกสอยึถือก็เป็นเจ้า้าเจ้าไมื่อดูนืหน้าของเจ้าผูชามันวนบรวะเจ้ามีความที่แต่แต่เจ้าจะโกรนป่ของพระเจ้าตกเปทนห้ของพระเจ้าเรือการทั้วงนี้มารู้กวารจิงของสึ่งทั้งปวงว่าไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของตามทตามธรรมชาติเลิกเลิกเลิกเลิกผมเลิกมอบความวงกับพระเจ้าไม่หวังกุญแพระเจ้าไม่อ่อนหวานพระเจ้าและสิ่งสัตวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งสั ถึูสอชืช่อมาจากเด็กๆเรีนี่เลิกายาขาจากพระเจ้ายาขาดจาอำนาจของพระเจ้าหรือสิ่งตัดติทั้ทงหลาย ท, า ท, ทั้งปวงอำนาจบังธรรมะคือความถูกต้อตามที่เป็นจริงคีอความรู้เรื่องางนักาามมาตาเป็นต้นไม่มีความหมายขว่าพระเจ้าในัใจต่อไปมีแต่ความหมายของธรรมะที่เป็นไปในตานเกณความอิทธปตามีพระเจ้า <c oughs> นี่ยาขาดจากพระเจ้าที่เคยล้มลยิดมันถือมันยงยิ่งกว่าสิ่งใดตามประสาเด็กๆที่จะเป็นจะเลยความเป็นเด็กเติโตขึ้นมาในระสาสนาแล้วมัน่อยาขาดจากพระเจ้า ก็เแข่มตราเห็นหความคิดอันนี้ความเชอันนี้ความูกนอันนี้ไมไหวไม่อไม่มีความจริงหรือไม่เป็นความจริงอ้าทีนี้ประมาณนีความสำคัญที่สุดยาอาดยอัตตาอัตตาตัวตนอันยาคือของตนมีความคิดมันถือมันเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนวาอัตนิยาเป็นของตนคุยง่ายๆเป็นความรู้สึกเป็ตัวผู้ว่าของผู้ตัวผู้ของผู้ตัวผู้ของผูอย่างเป็นตัวผู้บางอย่างเป็นของผู้มันจะไมหมดไรความจริงโดย อันนยงตุกังการู้ความคิดนกสนี้แลวร่าโอ้มนไม่ตัวผู้มันไม่ใช่ของกูมันเป็นธรรมชาติเป็นธาตตามธรรมชาติมันเคลอนไห้รู้สึกผิดเมือย่างนั้นได้ไม่ทเป็นตัวผู้ธาตุตาธรรมชาติจุมกินเท่าเป็นังารอย่างนี้อย่างนี้มันมีกวารู้สึกผิดเม้่อเคล่นไได้มากที่สุดแต่หญ้ามะละนัพหญ้าไมยรามันยังรู้แต่ผู้มันมีการไปจับมันโน่นรน้ไม่ต้องมีตัวผู้ไม่งีมารอยู้ใหญ้านิดนั้เป็นธรรมชาติที่มีระบบไม่ต้องปร้สาท มันรู้สึกได้ตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นสัญญาความสำคัญนั้นหายอะไรก็เป็นอะไรมนก็เกิดไามหน้าเวทนานมีเวทนารูสึางรคามคัญนั้นมยั้ไม่มีตัวผู้ในเวทนานั้นสังขารคิดไม่ได้ต่างๆนั้นๆก็เป็นอยงน้ที่ตามธรรมรดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตมันมีความสำคัญนันหมายอย่างั้ไม่มีอะไรเแล้วมันสามารถรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางจิตทางกายทางใจมันเป็นช่นั้นเองจิตไม่ต้องมีตัวูไม่ต้องเป็นตัวผู้มันทำหน้าที่คอยรับอารมณ์ทางตาทางหู นี่รเรียกว่างมืความมุ่มัม่นถึงมันว่ามีอัตตามีวิญญาณขากสีกายอะสีเป็นอัตตาไั่ไม้มีสิ่งที่จะเอามาเป็นตัวกู้เป็นของกูมันเป็นไปตามกฎเส้นของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าอยากขาดตัวกู้จึงเคยเรืย้อเอาเป็นตัวเองตัวเองหรือนชีวิตอยากขาดจากตัวเองไม่ไดยากขาดจากชีวิตที่เคยโง่เอามาเป็นตัวเองมาเป็นอัตตาอย่างนี้เรียกว่าอยากขาดจากอัตตาหรืออัตตวาคุปปาทานทุกคนไหยมันยึดมันอย่างนี้วในอัตตาไม่อาจยี่อากขาด มันย mm ังโงไปว่าถ้าอยากอัตตาก็คือตายก็คือตายไม่กลาปล่อยความมิตรันถึงมันในอัตาเราจะมีการเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงตามลำดับพราะฉนั้ยาถูกทางอัตตาแล้วมันจะเกิดทางมีอัตาวไม่ไหวตัวอัตตาเนี่ยรอรัวลวงต่อยอดยุมยากลาบากมีหายใจความทุกข์ูไม่เอาของมือกอัตตาเนี่อยากขาดจากตัสู้อยากอาดจากของสูนีอยากาอยากโลกรวมๆกับจิตกามาแล้วการมครบรู้กับครอบรู้กับครอบมันเรมีตามันโลกโลกแห่งการู้กับโลกโลกแห่งรูปรู้กับโลกโลกแห่งรูป แต่นี้เา่โลกโลกโลกอมที่รู้จักกันอยู่นี่ที่ลงไหลกันนังไหลในโลกพอกนทีในโลกนี่ในโลกนี้พอปันทีกูไม่เอาจากมึงแล้วไม่บ้ากับมึงแล้วในโลกโลกนี่นี่ก็อยากขาจากโลกใ้ความหมายที่เด็กๆมันรู้จักก็ได้ในความมที่มีูมีปัญญารู้จักก็ได้สิ่งที่มีความแตกเปนธรรมดาหรุ่งเป็นมายาอยู่ตลอดเวลานีู่ไม่เอามึงล้อยากาดจากโลกใยความรู้สึกที่เป็นธรรมดานตาย่มนะาจากสังขารนคว่าสังขารนี่เดี๋ยวนี้กูจะรู้จักกันดีแต่ก่อนแต่ก่อนรู้จักสังขารถึงร่างกายสัง ค่สังขารสังขารในภาษาบาลีนั่นแปลว่าสิ่งปรุงแต่งรางกาิปรุงแต่งกันเร่าสังขายูแต่ไม่ใชร่างการจะเป็นจิตใจหรือความรู้สึกก็เป็นจิตใจอะไรก็ตามที่มันเป็นการปรุงแต่งมีขึ้นเระการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารอางนั้นมีอำาที่วิิยาการเป็นหลักเท่าสิ่งใดไม่ถูกเพยปัญญาอื่นปรุงแต่งขึ้นมาเพศวิที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารแล้สิ่งใดปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็เรียกว่าสังขารแล้ววิาอาการแต่งการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่า ในสิ the ่งท like ี่พรุงแต่งสิ่อื่นไปก็ดีในคิยาอาการแห่งการปรงแต่งมันก็ดีเยว่าสังขารนี่มันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างโกนี่มีสิ่งที่แต่ง่สิ่งนั้นรงแต่อื่นต่อไปมีิยาอาการการงแต่งอยู่เสมอที่สุดในร่างกเราในร่างกายมันยากสวรรนีมันมีสังขารเต็มหมดสิ่งนั้นรงแต่งสิ่งนล้นสิ่งนั้นปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนันถูกบรุงแต่งแล้วปรุงแต่งสิ่งอื่น่ไปคติยาอาการการปงแ่ย่ อย่ากินข้านมาตาหูกอทรีย่อย่างเป็นสังขารผมคนและขนน้ำเป็นสังขารทางิอเป็นสังขารพิเป็นสังขารเป็นสังขารหมดทีหมดสังขารอย่างกาแแข็งเปนร่างกายร่างกายอะไรอะไรก็ตามเป็นการรวมแสงถูกรุมแสงและรวมแสจริงผนและ่าสังขารความเปันที่เื่อเกิดในเร่งยุงการรงแตะความเนที่เพราะเหตาการณรวมแสงเป็นเรื่องไม่หยุดไม่พัก่อนไม่มีตลาดเมีแต่ความทุกข์ผู้มีอวจมือตอไปสังขารนี่ทำมายตาเกิดขึ้นยาคาดาสังขารเอาที่เป็นยาคาาสิ่ที่เป็นมาา <c oughs> อะไรเป็นมาลาที่พูด <c oughs> ยากที่จะกล่าวสินเชิญได้คือมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นมารยา <c oughs> ความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่จริงนั้นก็เป็นมาลา <c oughs> ฉันรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าไม่สวยอะไรนั่นเป็นมารยาสวยเป็มาลาอย่างไม่สวยเปนมารยาอย่างหนึ่งมันเป็นความไม่สามารถถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าผิดหรือสติปัญญา <c oughs> เป็นรูป เ, เห็แต่สังหารูปอย่างนั่งรูปอย่างนี้เห็นเป็นสวยไม่สวยเห็นเป็นยญิงเป็นชายเนกันเลยไปเปิดไป ไม่ไเห็นว่าเป็นเพียงแค่สื่นแสงที่นานาจะนิดนานาระดับส่งกันออกมาเป็นอางนั้นเห็นเป็นรูปร่างอย่างนั้นเหออย่างนี้ไม่เห็นไม่เห็นแต่เห็นว่าเป็นรูปที่มีความหมายถูกแปลความหมายเข้ามาเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปเป็นความสวยงามความสวยงามเป็นความเป็นผู้หญิงเป็นความเป็นผู้ชายเป็นความความรู้สึกที่ทาให้เกิดคุณค่ายางได้อย่างหนึ่งะสําหรับยินดียินร้ายมันก็จะเข้าอย่างนี้สำหรับเป็นบวกสำหรับเป็นลบไม่เห็นนี่เรียกว่าถูกหลอกทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทั้ง เลาทางลิ้นทางสมัมผัสผิวนะั้นมันถูกเราะใเป็นของมีค่ามันสูงสุดนี่มันถูกใจนี่มันไม่ถูกใจกใอย่างไปเป็น้องที่ไม่มีค่าหรือเป็นศัตรูกันได้กลาขึ้นมามันไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นมายาอย่างนี้มันก็ลําบากเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเรี่องนี้มารู้ควาจริงว่าอะไรเปนมายะทําจริงกันอย่างไรก็ยาขาดจากมายามายาเดาเราดูไม่ได้อีกต่อไปเราก็มารู้ถึงที่สุดในความจริงของมันนี้เรียกว่ายาขาดจากมายาดูดาวพัญยาขาดจากพิเลศตอนนี้เรา ไม่รู้กิเลสคืออะไรไม่รู้มกิเลสตั้่มีกิเลสทองคำอยู่ก็ไม่รู้จักว่าเป็นกิเลสนะครับเห็นเป็นสิพอใจนสนุกสนานอะไรต่อดไปก็มีไม่รู้จักโลกิเลสไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งกิเลสไม่รู้จักอหนาจของกิเลสว่ามันไซบูว่คนเป็นออย่างไรมีความเป็นภาตของกิเลส็นที่ภาสนเป็นธาุของกิเลสอย่างไรก็ไม่เคยรู้ก็เลยบูชากิเลสแรไม่นาเชื่อทุกคนบูชากิเลสตั้งไอ้สิ่งที่เรียกกิเลสนั่นแหละอ๋อสกปรกแล้วเขาจะไม่เกิดเลยกาเป็น กนไปยังบูชากิเลสยอมทำไปตามอำนาจของกิเลสและแต่ที่กิเลสมันจะต้อการเดี๋ยวนี้มนากิงที่กิเลสดนออย่างนี้อยางนี้เออคนนี้ทำมันแล้วัไม่ไ้ก็ยากขาดจากกิเลสพูดถึงสิ่งบางสิ่งที่ลังรตไมนะครอยาขาดจากสิ่งที่เรียกว่าอำนาจวัฒนาบารมีคนธรรมดาทุกคนต้องการอานาจวัฒนาบารมีมันบูชาเงินเอาเงินไปสร้างอานาจวัฒนาบารมีไปหาเงินติบขมาอีกต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตอำนาจวัฒนาบารมีมันลำบากอยู่ด้วยการแสวงหาด้วยการรักษาด้วยการต่อสู้ กี่ยวกับอำนาจวาสนาบารมีโดยรู้สึกตัวเดยนี้มองเห็นคริง<อ>เป็นอย่างนีโอ้อันีนีอนาจาสนาารีคูมอกมึงแล้วโดยธรรมะยะตากาเห็นชื่อมันเป็นอย่างไรกันเอาจนเอามันให้ไหวยาคาตาโชคชะตาดนหนึ่งอะกูมาก็าให้มาดูหมอไม่รู้ไม่เป็นไมได่ดีนเขก็ไม่เชื่อเขาเชื่อไม่คำสาปเขาเชื่อเขาทไมไม่ดีนก็ฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อโชคชะตาฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเร่องลยมีความรู้วดูโชคชะตาไปเลฟังไม่พอไปเฟังไม่พอใไหมว่าไม่ไม่นดูปรน้ไม่อ็น น่ามก็ไม่ดูไม่ินจริงเมื่อเด็กๆเคยเคยเปิดราดูดูตาราทํารามีขยเด็กังคนไปดูแล้ตัวกมันล้ว่าโอ้ไม่หวไม่ไวไม่เอาไม่ไม่ไม่ไม่ไอกไม่แล้วแล้ก็บอกเขาว่าคุณไม่องไปดูหมอเสียเวลาห้เสียตาต่าแล้วเขาว่าแม่หมอจะทายว่าคุณโชคดีคุณไปยังต้องทดีประมาทไม่ได right. re really right. right. right. right. ้ต right. ้องทำดีท hmm> ี่สุดนั่นแหละแม่ผุหมอจะทายคุณโชคได้คุณต้องทำดีที่สุดประมาทไม่ได้นี่แหละประมาทไม่ได้ต้องทำดีที่สุดย่างหมอเขบอกว่าโชคดีหรือว่าโชคได้ตามใจ โชคลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนคลาดเรื่องต้องคนไม่รู้จริงแลก็มีความคลาดอบรมสั่สอนให้เชื่อมันตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> รเรื่องที่าปัญญาตามางแต่รอยตังกรตั้งแต่จำพวกที่ท้าปัญญตาโอ้ยไม่ใช่เป็นไปตามอำนาจของดวงดาวผีสารเดวดาดที่ไหนไม่ต้องดูโชคลาภมัน <c oughs> ไม่มีควา ม, มหมายอำนาจอดๆที่จะมาทำอะไรได้จริงมันมีได้แต่สาหรับคนคลาดจะได้สบายใจบ้างหมาดูทยว่าโชคดีก็สบายใจเอาเป็นไงหอเลิกยาขาดยา โชคชะตาย่าขาดจากการเชื่อโชคชะตายาขาดจากหวังแ่พึ่งโชคชะตาไม่มีความหวังเี่พึ่งโชคชะตาที่ต่อไปถ้ามีความรู้จริงในเรื่องสีทับปัจจยตาจนถึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพึ่งไม่ได้เลาก็มันไม่ได้เป็นรมจตายาขาดจากโชคชะตาพยายจะพูดว่าสามาถจรยาคาดสวรรค์สิ่งที่เรียกวโรคแม้ทางตายแม้ทางจิตหน้ทางวิญญาณเราเห็นว่าโลกเป็นเชนั้นเองโรกเป็นทัปัจจยตาเป็นนั้นเอง ก็ไม่ต <watering>, ้องเส้น <Metroid> ดุ่มไม่้งหวดเสียแกรงกันยาวๆไปดยไม่ต้อเป็นทุกข์ถ้ามันหายก็จะนั้นเองามันตายก็จะนั่นเองไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นโรคก็คุกคามเอาไม่ได้โรคทางกายคุกคามไม่ได้ี่โรคทางวิญญาณคือความเข้าใจผิดความรักความโกรธความเกลียดความโกรธความตื่นเป็นความาริสยาอะไรเอาวันถึงวัเลยเป็นโรคทางวิญญาณต่เห็นธรรมะถึงขนาดการตายแล้วเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความโกรธความตื่นเต้นทางนไม่ได้ไม่ถึงโรคทางวิญญาณอีกต่อไปยาคาจาริงตื่น ตื่นเต้นในทางชอบที่เต้นในทางเปรียบตืนเ้นในทางตัวนโดยมากก็ตื่นเต้นในทางที่มันแปลกตรลาดเยากอยากดูสิ่งที่แปลกประหลาดแต่ถ้าี่แปลกประหลาดจะรวยร้องให้ก็ไม่ิด <c oughs> แต่ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาสาหรับคนบุตรชนที่ยังมีอ <c oughs> วิชชาต้องมีความตื่นเต้นนมึงไปเชี่ยวพัฒนาต่อดูสิ่งที่แปลกประหลาดมีความตื่นเต้นไปเนิานนอกเน่นหน้าความหวังจิตใจรอดจากความตื่นเต้นนั่นแะพาไปวนี้เห็มันเห็นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรที่เป็นของพกธรรมดาฉเราจะไปดูกายกรรม ทันเลิของโลกนเลิศของโลกกิจกรรมจากมือความเก่าเผยแสดงทั่วโลกคนโง่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแอตไลท์ไปตามเรื่องมันาะมันยังมีอวิชชาแต่ถ้ามาเห็นมันเป็นไปตามปริศาปัิตามันก็ไม่ถึงเต้นมันเห็นมาเช่นนั่นเองมันทำได้เช่นนั่นเองเมือถึงที่สุดมันจะทำได้เช่นนั่นเองไม่มีอน่าถึงเต้นนี่ในเรื่องที่มนุษย์ไปทางขึ้นแม้เรื่องที่เป็นของธรรมชาติน่ะป็น้องตกสวยงามภูเขาสวยงาทะเลสวงามเกาะกลางสวงามอะไรสวยงามถงเต้นนั่นเป็นคนที่ไม่รู้ว่าวารถึงเต้นนันคืออะไรมันคือความโง่ที่ม ฉนนยดือ่เต็นนตลูกมือนเ้นักันนี่อยากจะไปเื่อดูสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์รยาาขึ้นมันซื้อม่แต่ที่พิจารณที่เขาแช่กันไปดูเป็เช่นนั้นเองสรางความเป็นเช่นนั้นเองที่ตกทอดกันมาในความรู้เรื่องความับทุกข์แต่ในความรู้เรื่องตื่นเต้นมันมีบันทึกความผิดถูกของมนุษยมันมีันทึกกี่ยวกับโง่ของมนุษย์ทสร้างสร้างสร้างสรย์ขอโลกขึ้นมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขึ้นมาแต่การ ไปดูกันมาจักรันที่ต่างประเทศไม่ต้องไม่ต้อยาขาดยาขาดถึงเต้นให้ความน่าจะกรันที่นี้ก็ลดไปอยากขาดยาขาดสิ่งกระลาบกระลมสิ่งกปะลาบกลมใจให้เกิดความรู้สึกสบายทางจิตใจ่ะมันจะจําเป็นอยู่นั้นตันที่ว่าคนมันจะต้องมีในอย่างนั้นมันก็เงาแต่มันก็เงาสำหรับคนโง่สาหรับเด็กๆสำหรับคนโง่ที่ต้องมีสิ่งกปะลาบกระโลมใจถ้ามันมีความรู้สึกถูกต้องถึงที่สุดแล้วมันไม่มีกระลาบกระโลมใจ ปัจยทางร่างกายมีอยู่สอย่างคืออาหารเพื่อนุ่งล่มที่อยู่อาศัยอยู่ร่างกายปัจจัทางกายมีสอย่างปัจจัทางจิตีหนึ่งอย่างคือสิ่งกระเล้ากระโลมใจเมื่อสิ่งเมื่อจิตเป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใงก็อึดเรื่องชื่นบานบันเทิงแต่มันสำหรับคนโง่ที่มันต้องมีสิ่งกระเล้ากระโลมใจถ้ามีตจิปัญญาในหลักแห่งพุทศาสนาแล้วมันไม่ทำกระเล้ากระโลมใจสิ่งกรเล้ากระโลมใจเนี่ยมีอิทธิพลมากเดี๋ยวมิโลมันล้มเป็นกับสิ่งเหล่านี้มันจึงมีการพลิกการโฆษณาการทำนายเป็นเพราะทั้ง ของวยงามอรยอรยสนุสนานั้นจริงามมาเต็มไปหมดขึ้นมาทำารก็ขาได้ก็คืแอแลออกไปทุกเสมอทุกทีทุ ก, ททกทยิกยิคูในโลกยิ่งมีมากขึ้นทีนี้จะมีธรามะเป็นภาระยาขาดจากสิ่งกระเล่ากรลมใจเหล่านั้นให้ต้องมีสิ่งเหล่านั้นกระล่าลงใจอก็มีอรมยตาต่อสิ่งเหล่านั้นและก็เปนธรรมะธรรมะาสงบความหยุดความเย็นหรือามาแห่งนิพพานเป็นที่ตั้งที่พักแห่งจิตใจแต่ก็ม่ถึงกบะปล้ากลงใจจะมีถึงความกระล่ากระลงใจแต่เป็นที่หยุดที่ตังที่พักที่พ ความวิเวกไม่ถูกอะไรรถปูนนี่เราก็เป็นอิสระจากอำนาจของสิ่งกระเล้าตะโลมใจไม่ต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ใด่มาหลอกให้โม้ยาขาดลาสิ่งกระเล่าตะโลมใจดีจจไหมแต่ใครยังชอบอยูก็เอาไปก็ไม่ตำหนาที <c oughs> นี้จะมาดีไอ้ที่มันต่ำ ม, มากๆยาขาดยากปัว่ายาเมีย <c oughs> ถ้ามันเลวมั น, นจะอยู่ด้วยกันได้ไหมยาขาดนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นไน่อยาไม่ขาดหอยาไม่ขาดมันาะอ้ะ เงิ่ายแ่มัจะมองเห็นความเร็วร่ายเ็วลามเ็จิกใจขไม่ได้เป็นิยาขาดากันได้แต่มันยังมีความมที่ละเอียดเป็นนิ่ปานั Sym ่นนะครับเป็นเป็นเรื่องสาหรับที่มั่นถือมั่นราคาของแผ่นของหะหูตาตาจิตยาขาดขาดรู้สึกที่นั้นพวกมีกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดินทางสำหับไปนิพพานนั่นารมาอยงผู้มีดทําชาบ้านเลิกๆตรงนี้เป็นเพื่อนเดินทางเพื่อนช่วยชีวิตนี่เบาขึ้นเจ้าหน้าในทางสติปัญญาเร็วขึ้นรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเร็วขึ้นไม่ยึดมั่ อยากคาขากวเากมเป็นผัเ like ป like ็นเมียหรับมูมาในกามในเรื่องซักัตรากายเป็นเพื่อนเปิดแคร่เดใต้ช่วยกันใเกิดความง่ายในการรวมทีิเดินทางสู่อนไปสู่นไปไปนบรรลุนิพพานลาาจากความเป็นผเป็นนียด้วยอำนาจธรรมยตาเห็นการหอกลวงทางการเป็นผเป็นมียความุยากความลบากที่มาแห่งความขุ่นยากําบากไม่เอามันกูไม่เอาควมมีต่อไปาเป็นผวเป็นี้มันเป็นเพื่อนเกิดแค่จากเดินทางไปนิพพานกันดีกว่าประโยชน์ต่ออธมยตาหน้าทา่อันสุดท นี่เป็นปัญหาโดยพื้นฐานของคนทั่วไปของรัฐบาลที่ของประชาชดๆมัจนจะมีปัญหากันอยู่ทั่วโลกที่ประชาชนมันล้งลในอาบายมุกวนรัฐบาลได้ภาษีจากอาบายมุกมากาษีได้ไดมันถึงเลิกยาก <c oughs> ยาขาจากอาบายมุกก็ริ่มอเมิตมาเ <c oughs> ขาเรียกว่าจากของมอของมุน ม, นเมาเสพติดตุ๊กนิดจะเป็นเป็นบุรี่เป็นเล้าหรือเป็นนั่นสนของมุนเมาอย่างไรก็คืเปนเฮโรอีนเป็นาเพวิดของมุนมาเป็นยาขาดมันได้ก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าอัมเตาเกิดขึ้น มเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไรมันเลวร้ายเท่าไรมันหลอรวงเท่าไรมันทาให้โง่เท่าไรนี่เห็นถึงที่สุดแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นอาตมมายตาไม่ไหวไม่ไหวแล้วุณอมึงบเลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เลิกติดๆได้ดื่มน้าเมาคือดื่มของเมาจะเป็นดื่มินเป็นสูกุ้งค่าเป็นอะกรองติดมันมาทงหลายสงสัยโดยความรู้ที่เห็นตามจริงของสิ่งนนั่นจนเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอาตมมายตาไม่อาศัยมึงอีกต่อไปแล้วไม่พึ่งพามึงอีกต่อไปแล้วไม่ปล ยิ่งเป็นละวันหรมุกเงิองหมานเเที่ยวกลางคืนก็ไม่กันเลยอยากศึกษาในความหลงร่วความโง่ของตัวเองบูชาความสำราญสาเริจในการเที่ยวกลางคืนมันอย่างเี่นเป็นยูมันได้เจอเจอความรู้สึกที่เดมันมีวัาในวันผู้ใหญ่คนหนึ่แล้วเลิศได้ลูกกันเล่นในการเล่นเข้ากประดิษฐ์มาอาจจะร่วมกับเอาันโง่แล้จแถพาลูกไปดูนั่งดูละครมีพ่อแม่คนไหนบ้างที่พาลูกเล็กๆอยู่ลูกไปดูนั่งไปเจอที่รวมนั่งดูละวรเราบอกลูกว่าโอ้ลูกเอ๋อทั้งหมดนี้ก็มีวัยรุ่นโง่ใครเคทำอย่างนี้บ แตว่ามันไปดูทีน่าจะดูอย่างไรกูจะพาไปดูเลู้ให้สารดา่พ่อแม่นี่มันเป็นทุทาให้ลูกมันเป็นอย่างนั้นเสียนเลยพอในการเล่นการแสดงการเล่นการอะไรต่างๆจะเป็นหนังละครดีไม่จะเป็นกีฬาเป็นฟุตบอลตัดีมันไม่เป็นการศึกษามันไม่เป็นการแสดงใจนักกีฬาาในสนาฟุตบอลมันมีน้ำใจาเห็นแก่ตัวมีการเอาเปรียบก็ติดการเอาเปรียบเอาเปรียบเป็นถูกลงโทษแล้วก็มีในสนามกีฬาที่บาสที่สุดก็มีการมาแก้แค้นในกีฬานั้นมีการมาแก้แค้นในที่นั้นมันมี มันก็ไม่มีผนดีอะไรแต่จใจในการเล่นนนี่ในการเล่นนี่มันเป็นสิ่งกะลาไลใจมันก็ใจิตใจร่าเริงถึงขั้งถึงมาพักนึงแต่ลมันก็ไม่ได้อะไรสิมากน้อยดูพอไม่รู้เรื่องแลก็ไม่ทําดูที่เล่งการทันนันนี่มันเป็นผีสิงในกวามยุดมันในคาได้ในความเป็บวกในคามไดมันมเป็นผีสิงมันก็จอแต่ได้มัหนมองเห็นชองทางที่จะแพ้ไม่ไม่เห็นจ้องทางที่ว่าเจ้บบ่นายมือเขาเจ้ามือเาไ้เี้เขาก็ขาดตเวลาไม่มองเห็นในการทันนันนี่ ตั้งอยู่บนกิเลต้องโลภะอ่ะต้อโทสะต้องโมะครกพื่นหมเหมืนอนนั่งดิบบอลนัน่ะจะเกิดขาั้งรางอย่างตามประการเขาหอเป็นที่งย่างโกยมีความสนใจมมีการเกียดไม่กมันเป็นอะไรซึ่งนนร่างไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นไม่จะเกิดนักกรมอ า, า, ามพาไม่มานแล้วมีข้อต่อไปว่าคนชั่วเป็นพืนถ้ามานอนเห็นแต่ประโยชน์ด้วความสุขิวเผินคารู้สึกชั่วแล่นทางอารมณ์ทางายตนะนึ่งคนที่มันมีศีลธรรมเขาบูชากันนักเ่ยเขก็เลยอร่อยทางอายตนะชั่วแล่นทางตาค ไม่ต้องทำอะไรขอ ไ, ได้ทําแต่อย่างนี้ <c oughs> คุณผู้มีมีอวิชชาพิเศษเป็นคง <c oughs> จอกเป็นดอกต้องศึกษาเรื่องต้องทำว่ายความชั่วคนชั่วการทําชั่วฉันเห็นว่าเอากมันไม่อยวเอากำมันไม่อยูวยอธรรมยาตาเกิดมาละความชั่วและการครอบคนชั่วอืได้ทั้งสุดท้ายว่าเียรติการทำกันงะนนี่มันเป็นคนที่ไม่รู้จากสิ่งพ่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือนน้าที่ หน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็บูชาเพราะบางคนคิดว่ามันสูงสุดคืที่พระพุทธเจ้านี่หลับตามันมองเห็นพระพุทธเจ้าอย่งบูชาสิ่งที่สูงไปกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นคือหน้าที่เมื่อพระพุทธเจ้ากระดืรใหม่ๆท่านจะโน้มว่อ้ต่อไปนีแต่เราจะเคารพใครนั่นแหละเคารพใครเมื่อแ่จรู้อย่างนี้แล้วคนไปคนมาดอกไมโอ้เคารพหน้าที่เคารพธรรมะคหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่คืดับทุกข์ตัวห้ได้และช่วยผู้อื่นใหดับทุกข์ได้ด้วยนี่หน้าที่องพระพุทธ ท่านเลยทหน้าที่สูงสุดอยากไพกูดบ่อยๆ้วุทธเจ้าหน้าที่ตอนสว่างหัวรุ่งหรือก่อนหัวรุ่งอ่ะท่านก็สอซองไปถวดทุกคนถุกแหงว่าวันนี้ควรจะไปทางไหน <c oughs> ไปตรวที่ทาคือไปบินสบากบนสบากมีปัญหาโอกาสพบกับคนนั้นดพบกับคนคนนั้นดใดคร ด, ดนะที่วันีเือของสนนาีใการจะไปทางไหนวันนี้บ้านเสรจทีจะไปบา้บ า, ปบานคนธรรมดาหรือจะไปบ้านคนจนหรือจะไปสำนักอ่าฤทิอื่นที่ตรงกันข้ามที่เป็นปฏิปักไปตรงไาง้วสว่างขึ้นรืปบนสบากทางนั้นจะไปทางนั้นใดพบได ทำตามที่งงทงทตนบางไปโปดชาวนาที่กลังใช้นานอยู่กับฝ้ายกับวัวยังเป็นยําท่าด้ <c oughs> <c oughs> ทิงรอดกับพระดหน่อยบ่ายมาถึงวัดกโรดคนที่ไปหาถึงวัดไปฟังคำสีบวัดก็ขั้มลงตับโรดพิสูจสามเณรที่อยู่จะจัาหวัดคนดึกเทากับแก้ปัญหาเทวดาคือคนชั้นสูงเรียกว่าเทวดามาจากสวรรค์นะเป็นพรราชาปัารม่เทวดาก็เนไปหาตอนดึก น, นกัก็มีในกาบรีพระเจ้านดินยกกองัถือกเือไปังพระเจ้าูามปัปดกังดึกึก ฉันไรนนี้แบรุ่งเงียนร่ง้สงรงอ่ภนวกนี่พระพุทําหน้าที่งจนพวกเราทอย่างที่พระพุทเคยบูชาหน้าที่เมือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาจะไปไหนต้องเดินเขาไม่มีรถยนต์ล้วทําไมเนนั่งยานพาหนะที่เทียนติดิ่งมีชีวิตก็มีเกวียนหรือมีรถมากไม่ทานไม่ไไม่ไม่ไม่นั่งยานที่เทิ่งมีชีวิตเาต้องเดินนะเราเดินยวดยเป็นตอธรรมดาสำัพระพุทธเจ้าถ้เดินเดินไปบ้านอื่นมงอนนงทั้ นวันที่จะไปนิพพานนนั้นกลางวันเดินอยู่ดดคือนี่จะนิพพานนี่จะิพพานอยู่แล้วรอแล้วยังมี็นมาถาปัญหาเป็นปริภาณชบในรัตอื่นมาามปัญหาคอโตวสงที่อยู่ที่นั่นโอ้นี่มันมากเกินไปด้หมอไล่ไปไปไปยังมากนแล้วก็จะจ่านิพพานตัจ่ายอ้ยอยาทำอยาทที่นั่นนี่นั่่ก็มาใคราปัญหาก็ตอนๆเป็บรรุธรรมะนี่จะให้นกลางนันได้ยรรมะมิใช่ทบบอะรไม่ดหน้าที่นาี เราก็คมหน้าที่ปิดู้หน้าที่เอาเสียหน้าที่รือปล่าเราเรียนเงือกันหรือเปล่าถ้าเราเปลียนเงือแล้วไม่มีวังเราจะทำหน้าที่บูชาหน้าที่ถ้าเราบูชาเงือว่าเป็นพระเจ้าก็โตเท่ากันแล้วจะพอใจในการทำหน้าที่ <c oughs> ทุกคนบูชาเหงือบูชาเง <c oughs> ือกเงือเป็นพระเจ้าอย่าวางว่าพระเจ้าที่นันจะมาช่วยพระเจ้าไม่มีไม่มากเลยคนไม่มีเงือกพอมีเงือกเงือกกลายเป็นพระเจ้ามาช่วยทุกคนบูชาเงือซึ่งเป็นปฏิปิญญาจากการทํางานด้วยทําหน้าที่ถ้าบูชาเงือแล้วไม่มีใครว่างงานเป็นแสนๆเดี๋ยวนี้ ก็ร่อปัญาอย่างว่างานอยู่เป็นแสนถ้ามันไม่บูชาเลอถ้ามันบูชาไม่ทำมีงานทำทุกคนเนี่ยยังมีปัญหาอะไรเลยน้ารับเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็รับหากิเลส่านจะหายไปก็าองเห็นความจริงนันนี้มองเห็นความจริงนั่นนี้อาตมายตาก็เกิดขึ้นทำลายล้างความเี้ยร้างในความไม่รับหน้าที่ไม่บูชาหน้าที่ให้หมดไปหน้าที่กรตายเป็นสิ่งที่พอใจขึ้นออกขึ้นถูกต้องพอใจถูกต้องถูกต้องพอใจทั้งวันทั้งคืนผลของอาตมาตานในการละเส การเปลี่ยนหน้าที่ไม่ชอบทำงานในเด็เกนอันทํายัญตา <c oughs> ช่วยให้ยาอะไรได้ บ, าาบๆๆา้างยาจากพกทุกๆุกพกยาจากกรรมทุกทุกความหมายยาจากอิทธิปัตยาตาไม่ต้องเป็นไปตามกันแสแห่งอิทธิปัจยาตาอยายากพระเจ้าะเจ้าเรืองมันเลยอยาจากอยาจากตัวเองอยาจากะตาตัวเองที่เป็นมายาคือมีตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองฟัแล้วในอุปเลนโกจงมีตัวเองชนิดที่มิใช่ตัวเองคือเอามีตัวเองโดยสมมติตัวคราววันันหนึ่งมีตัวเองซึ่งมิใชต่ตัวเองอียาขารตาตัวเอง ยาาจากักษที่จเียนวภายในกรรมิเลตและวิบายาขาจากโรคยาขาดจากสังขางการเป่งแยากาดจากสิ่งที่เป็นมายาเหล่าดวงยาจากกิเลตยาจาดความลงใในอานาจรัตนวาลมียาขาจากโชคชตายาขาดจาโลกในทางวิญญาณยาขาจากสิ่งที่ตื่นเต้นคาตื่นเต้นความหน้ามหัจรรยด้ยาคาจากปัจจัยท <c oughs> ี่เป็นการเป็นเล่าอารจิตยาขาดจากคเป็นภัวเป็นเนียยาขาดจากบางอยามุกุชนิกเน่ขาแล้วมันมาเกิไปแล้วที่พูดมากนี่เพื่อให้มันได้กเลือกใครมีปัญหายหางไรก็มันจะมีเดขอเดียว จะเือพระหนตรงเรื่องเรื่องตั้วไ่ไดอยากขาดจากสิ่งนั้นทีนี้ก็เลื่แต่ว่าทาอย่างไรจะมีธรมนยตามีพูดมาหลาขั้นอะไรเป็นแล้วแต่ที่ผู้ที่ความมีชีวิตไม่เคยได้ยินแล้วเขาบอกโดยขั้นเลงเจะหน่อยว่าให้เห็นความเป็นอนิจจังทังสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงที่เป็นสังขานมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎของธรรมชาติเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติมันก็เป็นไตามกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นตามกฎของธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่ มื the the sea, so ่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อมันลบากในการที่จะเป็นอยู่เมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันจึงลำบากในาเป็นอยู่นั่นแหละคือทุกขังหรือทุกข์าความเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเร่ยเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นอนัตตามันต่อต้านไม่ได้มันไม่มีสิ่งที่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรอความทุกข์นี้ได้มันจึงเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนนอาจารย์ทุกขอนัตตาแล้วก็เห็นในความจริงที่เรียกว่าธรรมะทิฏฐตาความที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนี้เองตั มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันเป็นตามกฎของธรรมชาติเขมีความเป็นไปตามเหตุตามปฏิยานอยู่เสมอนี่เรียกว่าอิทัพปัจจยตาคามที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปฏิจาอยู่นึงนิดเห็นอิทัปัจจยตาเห็นลึกเลึกโอ้ไม่ีตัวตนวีแต่ก็ใ่ทัปัจจยตานี่เรียกว่าเห็นสุญญตาสุญญตาความว่างจากตัวตนเห็นสุญญตาถึงที่สุดน่าจะเห็นอันสุดท้ายว่าตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเช่นนี้เท่านี้เรียกว่าเป็นเช่นนั นี่มันนี่เนี่เอนี่นี่เองไม่แปลกไม่อะไรไม่ผิจากามเป็นฉ น, นี่จะไปทำคาความการท้องไก่ไม่ได้ต้องเป็นฉ น, นี้เองถึงเกิดความรู้สึกว่าคูเอากันไม่ไหวแล้วโอ้ยนั่นแะคืออธรรมยาตาอธรรมยาตาเกิดขึ้นคูเอากนึงไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอทันทีนี่ความหมายแต่งอธรรมยาตาไะอในระดับสูงสุดหนักเล็ทำกรดระดับล่างตางคนตัวระดับบ้านเรือนนี่ก็ได้นคารู้สึกที่ว่าคูเอากันมึงไม่ไหวอีกแล้วนี่นั่นหะพูดเป็นหยาบจากบ้านอย่างนี้มันทำง่ายทำง่ายนี่ถึงเขาพิ กาให้ทุกคนรู้ยักชาติธรมมาให้เป็นประโยชน์ในเป็นสิ่งที่เป็นหลักสคัญในระุศาสนามันเป็นยูที่ตรงกลางระหว่างฝ่ายโลกกับฝ่ายโลกุตตร์รความรู้ฝ่ายโลกยะเนี่ยความรู้ทำาจิตริยาฝ่โลกงคานเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรปนมาสูงสุดที่มันเกิดธรรมาเพราะฝายนี้หลังจากนี้มันจะเป็นฝ่ยเดนนาฬิกากรรมน้รู้มาคนนิพพานนิพพานเือนาฬิกากรรมหนักีโลทันดับนิสตากาลวดดับนี่เป็นนิพพานเอนาิกากรรมนักปีมุดหลุดทนแต่คัามยึดมั่นถือมันปีมุตน นิพานเบนักลายกันน่ต้นวิสุทธบริสุทธิ์จากความทุกข์สันติมีความสสุขนิพพานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ได้ธมยตามันอยู่ตรงกลางเป็นจุดเปลี่ยนกเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกไอนี้ก็เป็นโลานี้กเป็นโรคพะฝ่ายนี้เป็นความทุกข์ฝ่านี้เป็นความดับทุกข์จุดนี้อยู่ตรงเป็นจุดเปลี่ยนคือความรู้สึกถึงที่สุดต่อสิ่งนั่นนที่เคยหลงเคยคิดืออยู่ว่าโอ้ไม่วัวก็มันไม่ได้ก็เป็นแล้วนี่แหละอาตม เป็น <One> อ <input> ิสระจากาชั่วความผิดความเล่ห่ยงทั้งหลายตัเาอาตมมยะตาอามมตาแหล่ครูสำหรับครูที่ไม่เคยได้ยินแต่เป็นคำเตาที่มีอยู่ในพระบาลีที่ไม่เคยมีใครเอามาพูดบางทีจะเป็นาไม่รู้ว่าอะไรเพรไม่รู้ว่าไแล้วมันกรนจ่นี้อยู่นานนาเป็นปีๆจริงๆเพราะาเริ่มอ๋อมัคือจุดนี้เนจุดเปลี่ยนละกามด้วยรูปละรูปด้วยอรูปละอรูปโดยอาตมมยะตาทั้งหมดเ่ยละกามละรูปละอรูปเรลทุกสิ่งละทุกสิ่งเป็นธาตมมิยะตาคือมันไม่ทันมตา รู้มากขึ้นจนปีมคอที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ให้สมศักดิ์ริทธิขพุทธบริษัทและบ่ามีศักดีอยาไปบ้านักดีกันทธิอีกหนอธัรมตาจําหรับแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงปัญหาที่หลุดไปเพราะอํานาจของอตรรมมัจาคือความเห็นว่ า, าอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไปองเลิอกอมยากันทีนี่เรื่องอตรญมตัจจาจะใช้ยาอะไรได้บ้างสรุปคำว่าวยาจทุกสิ่งที่ไม่ควรจะคูกพันกันอยู่หรือครอข้าง ความเป็นผู้ปรกะกอบการเป็นผู้รู้ความจริงเป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นผู้เบิกบ้านเป็นดอกไมก้ที่เบิกบ้านเราไม่รู้จักโรยเนี่การรญญานี่ก็ต้องควรเวลามนก็สมควรใจเรแรงเดีวพุ่งแรงเร้วพู่มองขิติในการั ญ, ญาว่นาทางทั้งายคงจะได้ความรู้ทางภายในตัวเป็นบ้างเนเป็ น, น่มาขอวติการัญญาเกิดโอกาสให้พระคุณาวทั้งร้ายได้วสวนบทธรรมในคณะญาติยาให้เกิดกาลังใจในการที่จะปฏิบททัติมากแต่เพอได้ยินด้ความคือต่อไปในการระบัตินี้